นับูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะนักบูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะนับูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุทัสสะนมตุรัตนตยัสสะ กอนอบนอมแด่องค์ทมเดชพระธรรมาชพุทธเจ้าพระผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อสองวันก่อนก็อ้องปูารามชินวังโเพวกเราได้เข้าไปกราบถ้าใครไปอ เข้าปฏิบัติที่วัดบุพารามครั้งหนึ่งท่านก็ได้ไปเยี่ยมก็มีหลายคนได้กราบ่ันท่านลาถังขานโดยอายุเก้าสิบสองปีจากเก้าสิบสามเต็มวันที่สิบพฤกษาป่าก็ลาไปเรียบร้อยตั้งศพที่วัดป่าทำแกลบต่อมาไปมาแล้วเมื่อวานนี้ ไปกลับพันกว่ากิโลไม่ต้องพักแล้วไปรถนำศพแล้วก็ไปร่วมขบวนแห่สรีระจากเตียงนอนของท่านไปที่ศาลาแล้วก็ไปร่วมทำพิธีขอขมาแล้วก็ถวายดอกไม้รถนำแล้วก็คนมนมน ให้นั่งบญญรรยายทำในระหว่างที่คนไปรถน้ําอยู่นะคนก็เข้าแถวไปรถน้ําครบับนี่บนอันตามาก็ไปนั่งพูดเป็นธรรมะบรรเลงการย่าเท้าของคนที่เดินเข้าไปด้วยรถน้ำํำจบเข้าแถวกันนะโอ้ยยาวเหยียดพูดจนไม่ไหวก็พูดพูดหยุ ด, พ, ด, ยดพูดเยยฉยๆส่งไปให้ให้พระอื่นเพราะมันยังแถวมันยาวเหลือเกิน ก็เงีย้ยพอบอกว่าถาว่าชีวิตที่มันเคลื่อนไหวอยู่ได้ทำความดีจริงๆมันก็ตกผลึกเป็นบารมีแม้นเวลาจากไปสรีระร่างกายนั้นเป็นไม่มีประโยชน์แล้วเหมือนต้นไม้ทอดทิ้งดุจตนฟืนกลิ่งเนื้อพื้นทุทาเตียวพองช้ำเน่าดำเขียวทรงกลิ่นฟุ้งมิเว้นหวาง สิลมไม่หงายใจชีบันเลยไม่กลับหันห่อนมีสิ่งสําคัญเพื่อประโยชน์สักนิดเดียวนะทุกคนจะเป็นอย่างนั้นแต่แล้วมันจะมีความอาลายัยนะมีความอาลัยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากน้ําใจและความดีในขณะที่มีชีวิตอยู่ชีวิตเกิดชีวิตดับมันก็เป็นอย่างนี้ระยะการเกิดกับการตายเป็นบรรทัดของชีวิตของแต่ละคน มีความยาวความสั้นไม่เท่ากันมันไม่เหมือนไม้ฟุตไม้ฟุตมีสิบสองนิ้วเท่ากันใช่ไหมเพราะสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งฟุตแต่บรรทัดชีวิตไม่เท่ากันมีระยะยาวสั้นไม่เท่ากันแต่ขณะที่ระยะนั้นยังคงอยู่ก็ใช้คาว่าชีวิตเนี่ย เป็นเครื่องมือในการอรบรมบ่มตนสร้างความดีสั่งสมบารมีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าคนที่ใช้ร่างกายในขณะที่เป็นเป็นฝึกฝนขัดเกลาจิตใจบำเพ็ญบุญทางบารมีมันแตกต่างกับคนที่ใช้ร่างกายใช้ชีวิตที่ยังเป็นอยู่นี้ทำอย่างอื่นบางคนเนี่ย ใช่ทาอย่างอื่นแล้วไม่จบไม่สิ้นนะอมีภรรยามีภรรยาแต่งงานแล้วก็ต้องไปหาใหม่หาใหม่ไม่พอก็คบหม่คบใหม่ไปเรื่อยๆรายได้ก็ไม่พอจ่ายใช้ของก็เหมือนกันของเก่าๆก็เฉยได้ไม่พอมันต้องแบนเนมมันต้องเหมือนกันไอ้ช่องใส่เนี่ยสองตารางอ่าตีว่า อ, อ กว้างสิบเซนยาวสิบเซนก็ใส่ได้แล้วแต่มันต้องไม่ใช่ลุยวิตต้องมันไม่ใช่อะไรนะผาดา้าไม่ใช่มันก็ต้องมีคำพวกนี้เข้ามามันก็เลยทำให้ลำบากในที่สุดอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปปล้นร้านทองอหไหม <c oughs> คือเส้นทางชีวิตที่ไม่เอามาฝึกขัดเกลาสร้างบารมี มันก็จะต้องอยู่ในอำนาจของอีกสายหนึ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนเรียกว่ากิเลสชาติกิเลสชาตินั้นใส่เท่าไรเติมเท่าไรไม่เต็มมีเท่าไรไม่มีคำว่าพอถ้าเรามองชีวิตว่าคนทั่วๆไปคนที่เป็นครูเป็นถึงผู้อำนวยกา ร, เ, รเดือนขนาดนั้นมันน่าจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้ว เออแต่มันไม่พอมันเกิดจากอะไรเพราะอำนาจของกิเิสชาติไม่หยุดมันอโนโลโกมันบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะต้องคอยเติ ม, มก็ต้องคอยเติมมันต่างกันแบบหลวงปู่หลวงพ่ออย่างหลวงปู่แบนที่ท่านเพิ่งถวายเพลิงไปไม่นานนี้ททท่านก็ต้องสั่งว่าของท่านนะ ไม่ให้ตั้งโรงทานเพราะว่าถ้าไม่สั่งอย่างนั้นนะวัดจะเต็มไปด้วยโรงทานใครๆก็อยากจะไปอยู่ใกล้ใครๆก็อยากจะไปร่วมกันตั้งโรงทานที่วัดหลวงปู่แบนท่านสั่งห้ามตั้งโรงทานวัดสะอาดเดียบร้อยพอตั้งโรงทานแล้วเสียงอื้ออึงไปด้วยหมดแล้วมันจะกินตรงนั้นยไม่เอาเอาตรงนี้ไม่เอาเอากินตรงโน้น กินซะลาเปาไม่เอาซาละเปาวไว้กินทัาจนไปกินนั่นนี่ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวอะไร้วุ่นวายไปหมดเลยเสียงจกแจกจกแจกจกแจ๊กท่านสั่งห้ามตั้งโรงทานจบใ <c> น <oughs> วุ่นวายไม่มีความวุ่นวายนั่นมันเกิดได้ด้วยอำนาจของบารมีที่ใช้ร่างกายและชีวิตนี้ฝึกฝนขัดเกลอบาเป็นสร้างขึ้นมาแต่เราไม่ทำอย่างนั้นคนถ้าว่าไม่เดินในตามเส้นสาย ของการสร้างบา ร, รมีในการฝึกฝนขัดเกลาชีวิตเราก็จะตกอยู่ในเส้นทางของกิเลสชาติพอเราอยู่ในกิเลสชาติเนี่ยมันไม่มีอะไรอื่นนะมันไม่มีอย่างอื่นมันมีแต่ทำให้เรายิ่งหลงขึ้นทุก ว, วันทุก ว, วันทุก ว, วันมันจะทำให้เรายิ่งมืดขึ้นทุก ว, วันทุก ว, วันทุก ว, วันมันจะทำให้เรายิ่งโง่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่ในที่สุด มันจะให้เราลึกลงในทะเลแห่งสงสารนี้ไม่อาจที่จะยกตัวให้ขึ้นพ้นขึ้นมาได้นั่นของกิเลสชาติมันเป็นอย่างนั้นเราเรียกกันว่ากิเลสชาติพอได้ยินคําว่ากิเลสมันเหมือนกับว่าพระเอาเรื่องอะไรก็ไปรูุมาพูดแล้วพูดอีกคนใครมันก็มีกิเลสกันทั้งนั้นเอากิเลสมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหะแต่ว่าเราจะต้องไม่อยู่ในอํานาจของมันตลอดไป ถ้าเราอยู่ในอำนาจของมันตลอดไปมันก็เหมือนคนที่ดำอยู่ในหลุมโคลนไม่มีโอกาสโผล่หัวขึ้นมาเหนือหลุมโคลนเลยดำจมอยู่ในหลุมโคลนนั้นคิดดูสิแม้นว่าอยู่ในหลุมโคลนแต่ก็ยกหัวขึ้นมาโผล่อยู่วา ง, างให้พ้นจากไอ้ขี้โคลนขึ้นมาบ้างมันจะได้หายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์มันก็จะอยู่ได้พออยู่ได้เหมือนกัน มันช้ำภาพชีวิตของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราปล่อยให้อำนาจของกิเลสชาติมันเคลื่อนไหวปรุงแตง่งมีอำนาจอยู่ที่เราอยู่ตลอดเวลาเราก็จมอยู่ในหลุมโคลนอย่างนั้นนะ่ะอันต้องมีจังหวะมีโอกาสมีเวลาที่จะยกหวัวขึ้นจากหลุมโคลนได้นั่นก็ต้องมีจังหวะมีโอกาสมีเวลาที่จะยกใจของตนโพ้นจากอำนาจของกิเลสได้บ้างในบางครั้งบางคราวมันก็จะได้มีจุดพักจุดว่างจุดเว้นมั่งถ้าไม่อย่างนั้น ปล่อยให้เขาปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆเราก็มีแต่จมดิ่งจมดิ่งเพรนั้นทุกๆชีวิตมันจึงแตกต่างกันสองอย่างนี้เกิดมามีเท่ากันสองฝั่งฝั่งดีเรียกว่าบา ร, รมีฝั่งไม่ดีเรียกว่าอาสวะมีเท่ามีเหมือนกันทุกคนแต่ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะไปเติมอะไรแต่เราไปเติมฝ่ายดีก็เรียกว่าเติมต่อยอดบา ร, รมีที่มีอยู่ แต่เราไปเติมฝ่ายไม่ดีเรียกว่าไปต่อเติมเสริมอาสวะที่มีอยู่มันอยู่ตรงเนี้ยเท่านั้นเองถ้าเรามัวแต่ไปเอาแต่ฝ่ายอาสวะอย่างเดียวนิสัยสันดานกินเลส ช, ชีวิตของเรามันก็มีแต่จมดิ่งลงมืดมัวลงดินรนลงวนลงความฟุง้งซ่านสัดสายของจิตความมืดมิดความอันธนาการความลุ่มหลงและความเพลิดเพลิน ที่มันเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตของผู้ใดผู้นั้นเรียกว่าอยู่ในอำนาจของกิเลสชาติมุ่งมั่นในการที่จะลดเรื่องความดิ้นรนความฟุ้งซ่านความมืดมิดออกไปจากจิตนั้นเรียกว่าผู้ตั้งใจที่จะฝึกฝนขัดเกลาได้การกระทำไปเช่นนั้น ฝึกฝนขัดเกลว์าตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไปเช่นนั้นด้วยหลักของบุญก็ดีด้วยหลักของศิกขาคือศีนสมาธิปัญญาก็ดีหรือหลักของสติปัฏฐานตรีก็ดีแล้วแต่ลวว้วนแต่เป็นการขัดเกลาเหล่านั้นผลที่เกิดขึ้นจากการขัดเกลว์ก็คือความเบาความว่างความสว่างความเป็นอิสระที่มีอํานาจมากขึ้นมากขึ้นในใจซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่อย่างนั้นทัานพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอภิตริทักลญาเด ให้มันขวนขวายรีบเร่งในการสร้างบา ร, รมีปาปาจิตตังนิวารเยในขณะเดียวกันก็ให้หักห้ามใจออกจากบาปอย่างอคุศลทันทางอิกระโตปุญญังเพราะถ้ารองมัวแต่ชักช้าอยู่ปาป่เสมิงรมติมโนใจของเรานี่ยนะจะไปยินยินดีในบาปแทนคือจะไปยินดีในอาสวะแทนจะไปยินดีในเส้นทางของกิเลสชาติแทนนะ่ะ อันหนึ่งบอกว่ามีจังหวะมีเวลาให้รีบขวนขวายในการบำเพ็ญบา ร, รมีสร้างความดีให้กับใจธรรมชาติใจเรานี่มันเรียกร้องหาอะไรมันเรียกร้องหาความสบายแต่พวกเราเนี่ยพวกขัดเกลารทุกคนยทุกคนก็ล้นแต่มีเส้นทางในการขัดเกลารอายุมันก็ต่างกันน้อยบ้างกลางกลางบ้าง ได้พูดเรื่องอายุนี่หลายคนก็สะดุง้งสะดุง้งเนอะไม่อยากให้มันมากเมวานไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งคือท่านลืมนับพรรษาท่านลืมนับพรรษามาถึงเจอกันที่วัดสามากีท่านก็ให้อัตมาเฮ้ยหลวงพ่อขึ้นก่อนขึ้นก่อนบอ้ยขึ้นได้ยังไงผมสามสิบสามสิบห้าพรรษานะอ๋อสามสิบ้ า, าขึ้นก่อนพรเลยผมหมดผมหลังผมหลัง เรายังมั่นใจว่าเราอ่อนกว่าแกนะเราก็เลยบอกเราก็เลยบอกว่าผมบวชปีสองเจ็ดนะอ๋อเ้าปีสองเจ็ดนั่งหลังผมบอกงันแล้วก็บอกาอาจารย์บวชปีเท่าไหร่อ่านบอกว่าท่านบวชปีสองสองห้าไอ้สองหกต่สองหกนะสองหกกับวชปีไหนบวชต้เดือนไหนท่านบอกว่าสองหกงานท่านได้ข้าวบรราแต่อย่างงั้นท่านก็สามสิบเจ็บรรดาแล้ว ลืมไปว่าตัวเองสามเจ็ดอายุพรรษานี่บางทีมันก็ต้องบอกพรรษาไม่ได้นะพองทีพระบางรูปถ้าลืมนับมาเมื่อสมเมื่อสองปีก่อนนับว่าตัวเองสามสิบห้าก็จำขวงใจอยู่สามสิบห้ากว่าปีต่อมาไม่ได้นับปีต่อมาก็ไม่ได้นับลืมนับไป็สองปีพอเจอใครถามพรรษาเท่าไหร่สามสิบห้าลืมไปไงไอเราไม่ลืมอ นี่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเพ ร, อ, ร อ, อายุตัวเองก็จะอย่าลืมนับนะนับไว้อายุนี่มันสําคัญนะมันเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตกว่าจะลงตัวกันได้นะอาสนะตั้งอย่างนี้เือนนี่เือนเงี้ยจะเป็นของใครนั่งตรงไหนไอ้เราก็มั่นใจว่าเรานั่งล่างท่านก็ว่าท่านจะนั่งล่างพมบอกว่าผมสามสิบ้านะโอ้ยสามสิบ้านั่งก่อนผมบอไม่ใช่ผมบวชปีสองเจ็โอ้ยถ้าบวชปีสองเจ็ดนั่งหลังผม อันนี้อันนี้มันไม่ใช่เล่เรื่องก่าข้อดีหรือไม่ดีมันเป็นศิลปะเออเป็นความบางทีมันโมจะทําอย่างอื่นลืมนับพภาษาเหมือนกันนับพระอืมนี่พอถึงเก่าเก้าภาษาที่ปีจะต้องทําบัญชีเนี่ยแต่มาเป็นคนทําบัญชีคือจะต้องเดินถามว่านี่ภาษาเท่าไหร่ไอ้เนี่เราเมื่อปีที่แล้วทําบัญชีปีที่แล้วพอมาอีกปีนึงเราก็ไม่ต้องถามแล้วใช่ไหมเพราะทุกท่านเดิมก็บวกเนี่ยอายุก็บวกไปหนึ่งภาษาก็บวกไปหนึ่ง อายุก็บวกไปหนึ่งภาษาก็บวกไปหนึ่ง เ, เดี๋ยวมันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะบางทีก็เลยไปถามพอถา ม, สสามเสร็จอ้าของเดิมยี่สิบอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบเฮ้ยมีที่แล้วก็ยี่สบอันี้จะยี่สิบได้ยังไงก็ต้องมายืนรับไล่นิ้วลไล่ใบไล่มามั <laughs> มนเราเราก็จะต้องพร้อมความรู้สึกตัวความตื่นตัว มันจะต้องรู้ในทุกในทั้งบริบทของคาว่าชีวิตของตัวนะมันจึงจะรู้ว่ารู้สึกตัวตตูนตัวอัตัญญุตาการรู้จักตนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสโดยให้ความหมายว่าความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติตรกูลยศศักดิ์บริวารความรู้และคุณธรรมเพียงเท่านี้เท่านี้แล้ว ประพฤติตนด้สมควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไรข้อนี้เรียว่าอัตตันยุตามันต้องรู้เรื่องตนเนี่บางทีมันจําเป็นต้องรู้เหมือนกันแม้กระทั่งคําว่าอายุเท่าไหร่มันก็ต้องตอบได้ชัดเจนบางคนก็ไม่อยากจะจำนะมันไม่อยากจะบอกเคยมีนะมีบางคนสมัยตมามาอยู่นี่ได้ไม่กี่ปีใหม่ๆก็คนแถวบ้านที่ก็มาอยู่ใกล้ๆวัดเขาโยม ปีนี้เท่าไรอะตอนนั้นเรายี่บแปดงานแนเรายี่แปดแกสามสิบสองผ่านไปสามสี่ปีแล้วอ้าวโยมปีนี้เท่าไรละสามสิบสองาเราขึ้นสามสิบสามแล้วอยู่ยังไงเราแซงแล้วอ่ะเออกา น, นเรื่องการนับอายุก็สำคันเหมือนแต่พระพุทธเจ้าให้เรารู้อายุของเราเนี่ยเพื่อให้เราไม่ประมาทพอรู้อายุเนี่ยว่า วันเดือนที่เคลื่อนคล้อยการชีวิตก็มอดม้อยทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการเวลานั้นมันเดินผ่นเฉยเฉยมันกลืนกินสรรพสัตว์คือกลืนกินชีวิตด้วยใช้คําว่าอายุนั่นแหละคําว่าอายุน ะ, ะาานะมันก็หมายมันบอกให้รู้ว่าการเวลามันกลืนกินชีวิตของเราไปเท่าไหร่แล้วถ้าอายุปีมันเหมือนเหมือนหนึ่งเก้าย่างของโค โคตัวหนึ่งที่เขาจูงเข้าไปสู่ที่ฆ่าโคที่เขาจูงเข้าไปสู่ที่ฆ่าก้าวย่างของโคนั้นก้าวเข้าไปเท่าไหร่มันก็ใกล้เข้าไปสู่ที่ฆ่ามากเท่านั้นฉันใดอายุของเราบวกไปเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราใกล้เข้าสู่ความตายมากเท่านั้นเวลาของเราผ่านไปเท่าไหร่ เวลาที่เหลือของเราก็น้อยลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้นึกถึงอายุอย่างนี้แล้วให้เกิดความไม่ประมาทที่ว่าคันโนโวมาอุปจักขาคณะอย่าได้เข้าไปล่วงซึ่งท่านทั้งหลายเลยหมายความว่าอย่าปล่อยให้เวลานั้นมันล่วงผ่านไปอย่างร้ายประโยชน์และอย่าให้เวลานั้นมันล่วงผ่านไปอย่างเป็นโทษ ขอให้มันล่วงผ่านไปด้วยการก่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับชีวิตของตนเถิดพระหมายพระเจ้าคําพูดของคนที่จะพูดได้แบบนี้จะต้องเป็นคนที่รักมากนะคนที่มีความรู้มากคนที่มีมมความเข้าใจเข้าถึงอย่างชัดแจ้งและนํามาพูดอย่างเนี้ยพระเจ้าเนี่ยมันจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณจริงๆดวโวมาอุปจัขาขณะหรือเวลาอย่าได้เข้าไปล่วงซึ่งพวกท่านทั้งหลายเลย และแต่ละคำสอนของพระองค์นั้นไม่เคยห่างเหินจากเรื่องพวกนี้ไม่เคยห่างเหินจากการที่จะมุ่งเพื่อให้ผู้ฟังคือพวกเรานั้นประสบกับความสุขอย่างนิรันดร์ไม่เคยห่างเหินจากการที่จะมุ่งให้พวกเราเป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเพื่อให้เข้าถึงบร ม, มสุขเลยเป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากการที่จะพร่ำสอนให้พวกเราเห็นถึงคุณของพระนิพพาน เห็นโทษของอบายเห็นทางของสุขติไม่เคยใช้การสอนใดๆที่จะให้พวกเรานี่ดดำเนินเข้าไปสู่ความหายนะมีแต่เข้าไปสู่ความเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยคนที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้ดต่ไม่อคติไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนชั่วหรือคนดี ไม่อคติไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่ไม่ว่าไม่อคติไม่ว่าคนนั้นจะเป็นจัตรูมุ่งที่จะทําร้ายที่ทําลายชีวิตพระองค์ไม่อคติเสมอเหมือนกันหมดมีใจเสมอเหมือนกันแม้กระทั่งเทวทัตกับพระราหุลพระราหุลนี่เป็นลูกนะเทวทัตนี่เป็นผู้ที่จะจ้องล้มพระองเนี่ว่าเป็นจัตรูแต่ในใจของพระพุทธเจ้านั้นเสมอเหมือนกันไม่แตกต่างนี่คนที่เป็นพระพุทธเจ้า กับเราเป็นอย่างไรกับพระนางพิมพาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยกับโยมที่นั่งหน้านี่เป็นอย่างไรกับพระเจ้าสุโธธนะก็เป็นอย่างนั้นเราจึงโชคดีมากที่ได้เข้ามาสัมผัสและดำเดินแนวทางของคนที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเข้าถึงทุกคนเสมอเหมือนกันหมดเลยไม่มีความพิเศษไม่ว่าจะมาบวชมาจำนวนบรรษาเท่าที่บอกมเมื่อกี้เนี่ย โอ้ยจะมีความพิเศษกับพระพุทธเจ้าผู้เจ้าจะพิเศษกว่าไม่มีเนโดนนเพิ่งมาวันนี้ชื่ออะไรลูกสาวชื่ออะไรเนี่ยณัชะยะด า, ะยะดาออต้องเรียกครบทุกคำไหมต้องเรียกคำไหนมัางอะชั้ชชโโน อ๋อเติดเติดเติดเออไม่ว่าเติด์ดทุด ม, ดมาครั้งแรกเอนี่มาสามสิบสี่สิบครั้งแล้วเฮ้ตกใจมึงควรโ น, น้นมาเกือบห้าสิบครั้งพระเจ้าพระเจ้าเสมอเหมือนกันเข้าใจไหมพระเจ้าไม่ลำเบียงเข้าข้างคนนี้มากกว่าคนโน้นไม่มีพระทัยของเรจะเสมอเหมือนกันเพราะมองเห็นถึงว่า สภับนั้นตกอยู่ในห่วงของความทุกข์จนอยู่ในหลุมกลวงต่างที่บอกอัถ้าพวกเราทําในใจของเราให้ดีเข้าถึงพระพุทธเจ้าสัมผัสกับพระองค์แล้วศรัทธาของเราจะเป็นเกลียวพลังจะเป็นสนามพลังที่ยิ่งใหญ่มากที่จะนําพาให้เรานี่มีความมุ่งมั่นมีฉันทะในการที่จะดําเดินในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนและสัมผัสกับพระองค์อย่างแน่นแฟนมากอืมบรรทางเลือกของเรา จึงขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่ขึ้นอยู่กับใครนะทางเลือกของเราทางเดินของเรามันขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครฉะนั้นการมีพระพูทธเจ้าเนี่ถือว่ามีความเป็นพิเศษทุกคนไม่ได้พิเศษเฉพาะใครไม่ว่าคนนั้นรวยจะพิเศษไม่มีในทางกรงเงนข้ามพระพเจ้าจะเป็นพิเศษกับใคร ไอ้คนไหนที่ใครไม่เอาแล้วทิ้งแล้วยากจนเข็นใจนั่นแนหะพระพุทธเจ้าจะจะให้โอกาสไอ้คนไหนที่ป่วยจะเป็นจะตายแหล่เน่าเหม็นเฟะไม่มีใครสนใจปล่อยทิ้งเรี่ยงร่างนะนั่นแนหะพระพุทธเจ้าต้องสนใจเพราะพระพุทธเจ้าให้ความเห็นว่าถ้าพระองค์ไม่สนใจคนเหล่านี้แล้วใครจะสนใจเล่าและการเป็นพระพุทธเจ้าจะทอดทิ้งคนเหล่านี้ไว้แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าไปทําไมเนี่ยเนี่ยรู้จ้า มันเป็นประเบตตาเราก็ได้เห็นมาหลายหลครั้งหลายหลายคราวนะผู้เจ้าทุกพระองค์เป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันนี้เราก็มายืนยันชัดแจ้งนะมเมื่อวันก่อนไปเป็นประธานประชุมที่พุทธบุญทนก็ได้กล่าวเรื่องนี้ว่าเราชาวพุทธตอนนี้เราควรจะปลื้มปิติและดีใจอันตมานี่ก็ดีใจนะดีใจได้มีโอกาสเทศงาน รอยห้าสิบปีหลวงปูม่มันหลายที่ก็เมื่อวานนี่เขาก็ให้ไปเป็นประธานเดี๋ยวนี้มันรับงานหลายแบบนะเ <c oughs> มื่อวานไปเป็นประธานปิดทองปิดทองหลวงพ่อพระรัศมีแล้วก็แปลกดีเหมือนกันไปถึงเขาก็มีเก้าอี้เดี่ยวเดียวให้นั่งตั้งไว้แล้วก็นั่งเฉยเฉเสร็จพิธีก็จบไม่ต้องทํำเลยนั่งเป็นประธาน เออมัน ม, มันมีงานแปลกๆะถึงนั่งเก้าอี้เดียวๆนั่งเฉยๆถึงเวลาก็มีคนมาขอถ่ายรูป ก, ก็ถ่ายรูปถ่ายแต่ก็เอาของมาถวายอ่าแต้เดี๋ยวถงพระเดชพระคุณกลับกากลับบางงานก็ไปแบบหุนยนอย่างเงี้ยแต่ว่างานคืองานปิดตองพระรัศมี เรากเราหว่ังนั่งแต่ก็ที่บอกเมื่อกี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เรานะในระหว่างที่จะมานั่งเขาให้นั่งเฉยๆนั่งเป็นประธานก็นั่งเฉยๆไมโครโฟนเขาก็ไม่ตั้งไหเพราตั้งไมโครโฟนไว้ให้เนี่ยไม่แน่ก็ไม่ตั้งอะไรไงก็นั่งเฉยๆจริงๆในระหว่างนั่งเราก็ทำในใจไปถึงว่าพระราชมีคือพยายามมองงานน่ะมองให้เห็นทะ ไปที่ไหนนะจำไว้เลยพวกเราไปที่ไหนก็ช่างงานที่ไหนก็ชั่งไปแล้วต้องมองให้เห็นทำแล้วน้อมทำมาใส่ตนเปิดทางกุศลให้จิตมันเบิกบานสับรองได้จะไปงานไหนก็ช่างเราพาเราไปถึงนั่งงานพระประธานพ่อพระรสมีรัศมีชุติมทระก็คือว่าทรงไว้ซึ่งความชดช่วงอันเป็นเครื่องหมายของปัญญาก็น้อมไปโพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ช่างอัศจรรย์จิงๆผ่านมา 2,600 กว่าปีมีคนนำชื่อต่างๆไปแปะไว้ในรูปลักษณ์ของผู้ที่ชื่อว่พผู้เจ้านี่พระรัศมีนี่ก็เป็นพระพุทธรูปอีกชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้าอัจฉริยภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้ามันจึงยิ่งใหญ่จริงๆเลยในโลกใบ น, นี้มันจะสืบสานต่อไปอีกยาวนานผู้คนมากมายที่มานั่งอยู่ในที่นี่มีนี่มีสอสอมีดตรตรสาจาร์ยเยอะแยะ นี่เขตเขือก็มากันนะมาร่วมกันนี่มันมีมาด้วยอนุภาพของคนคนเดียวจริงๆคือคนที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าอืมแล้วก็มองให้เห็นอย่างนั้นใจมันก็เปิดใช่ไหมพอใจมันเปิดมันก็ก็เรียกว่าโอลานละ้ะก็มันคือเกิดความยิ่งใหญ่เงนินแล้วมันก็สว่างเ แ, แล้วมันก็มองเห็นหมดนะทุกอย่างที่มองเห็นกวาดสายตาก็าไปไปเจอเสา ก็ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าจะพื้นก็ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าแอก็พระพุทธเจ้านาฬิกาก็ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าที่นั่งก็ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหมดโดยเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในสถานที่นี้โอ้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้นแล้วเราได้ไปนั่งเป็นประธานอยู่ในงานนี้มันก็เป็นความเรียกว่าฉลาดในการเปิดทางให้กูศลตั้งขึ้นที่ใจ แล้วมันก็จะสว่างสว่างสว่างมันก็จะจะ น, น, นั่นอนี้พเราเหมือนกันแต่ไปงานไหนก็ช่างต้องมองหาทำบางคนบอกอมองอยังไงก็บอกไม่ออกหลวงพ่อมันต้องออกสิมองให้เห็นมันก็ต้องออกมองให้เห็นเป็นธรรมมันจะต้องออกถ้าไม่ออกต้องทํำยังไงถ้ามองให้เห็นทำแล้วมองแล้วไม่ออกแล้วต้องทํำยังไง การมองให้เห็นธรรมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแต่ธรรมมันมีอยู่ทุกที่นะธรรมมันมีอยู่ทุกที่ทุกสภาพการทุกสถานะแม้แต่ในอกุศลมันก็ยังมีกุศลใช่ไหมแม้แต่ในความชั่วมันก็มีความดีเ อ, อเพราะฉะนั้นธรรมมีอยู่ทุกที่ขอให้มองให้เห็นถ้ามองไม่เห็นและจะทํำยังไงจะต้องทํำยังไง ถ้ามองไม่เห็นทำแล้วเราจะต้องทำยังไงอือฮะโยนิโสอ่าใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้แต่ว่ามีรางวัลให้สำหรับคนที่ตอบถูกอยนิโสนี่ก็เฉียวเฉียวอ้าวถ้าเรามองไม่เห็นทำเราจะต้องทำยังไงเออมา <laughs> มานี่มาเนี่มานี่มานี่ยอื น, นี่ให้จริงๆนะเนี่ยสายตาทุกคู่จ้องมองกันไว้ถามแล้วตอบได้เดี๋ยวก็จะมีรางวัลอ๋ออะไรพระธาตุอินแฝนพระพุทธเจ้าก็าล่ะออพระธาตุอินแฝง กว่าจะชักออกอกลับไปนั่งเนี่ยถ้ามองไม่เห็นทำร้องทำยังไงอยู่กับลมหายใจต้องอยู่กับลมหายใจทำไมอยู่กับลมหายใจจึงเห็นทำ <c oughs> เพราะอยู่กับลมหายใจแล้วทำให้อะไร <c oughs> ทำฮะ ต้องใส่ต้องออกมาตัง้งเวล้วัต้องอมาตัง้งเวล้วมแต่รวงเหนื่อยเนี่อยยุท่าไรโปรแกรสองก คืออย่างนี้แบ่งแบ่งเป็นสองเจนแบ่งเป็นสองเจนฮะเอออ่ะพอัูดจะจบไปะ ลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราอยู่กับลมหายใจแล้วใจเราจะเป็นอะไรใจจะเป็นกลางติดไว้ก่อนนะที่เกลียลวงติดไว้ก่อนใจของใจของเราจะเป็นกลางเข้าใจคำว่าใจเป็นกลางไหมถ้าใจไม่เป็นกลางใจอคติมันจะมองไม่เห็นธรรม ใจเป็นกลางคือใจที่รู้สึกตัวจำไหมนะใจที่เป็นกลางคือใจที่รู้สึกตัวตัวคืออะไรตัวคือกายใช่ไหมใจที่อยู่กับกายมีความรู้สึกตื่นอยู่กับกายนั่นแหละคือใจที่เป็นกลางไม่ลำเอียงใดๆเลยแค่มันรู้สึกตัวอยู่กับกายมันอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์อยู่ความรู้สึกที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมันจึงเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง ถ้าเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได้นั่นน่ะมองเห็นธรรมแน่ๆเพราะฉะนั้นทุกที่ที่เราไปเราก็สามารถที่จะมองให้มันเป็นธรรมได้หมดได้หมดลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่างที่กล่าวถ้ามองไม่เห็นธรรมก็ยกจิตเข้ามาอยู่กับลมหายใจ ถ้ามีหนังสือสักเล่มหนึ่งในโลกนี้ว่าจะต้องทิ้งหนังสือทุกเล่มให้เหลือเพียงหนังสือเล่มเดียวเราคิดว่าจะให้หนังสือเรื่องอะไรเหลืออยู่นะถูกต้องใครตอบมาเมื่อกี้ติดไว้ก่อนนะ <c oughs> แต่หนังสือที่ชื่อว่าลมหายใจนี้ที่ชื่ออาณาปานสติด้วยนะไม่ใช่ลมหายใจเฉยๆนะจะต้องอาณาปานสติถ้าเหลืออยู่เป็นหนังสือที่ดีที่สุดในโลกของเรา ตอนนี้เป็นผลงานของพระพุทธเจ้านะนละจะเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเลยเผาไว้หมดทุกเล่มแต่ยาแต่ให้เหลือไว้เล่มเดียวคืออาณาปานนสติทุกทุกเรื่องทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างเข้าถึงได้หมดด้วยอํานาจของอานาปานนสติ <c oughs> แก่นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยการปิดอบายก็ดีการขึ้นสู่สวรรค์ก็ดี การเป็นมนุษย์ก็ดีหรือการเข้าสู่พระนิพพานก็ดีด้วยหลักของอนาปานสติสามารถที่จะนำพาเข้าสู่ตุกฐานะปิดอาบายได้หมดตั้งแต่ต้นก็มันก็คือการปิดอาบายเพราะฉะนั้นการรู้สึกกับลมหายใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มันเป็นผลงานการค้นคว้าของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกชีวิตและเป็นเรื่องราวของธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องของอัพิิห า, อานอสจรย์อะไรไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรให้พวกเราลองคิดดูพระวิญญาเนี่ยต้องการให้เราอยู่กับลมหายใจให้เรามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นใครจะมาสอนอย่างไรกับลมหายใจก็ได้นะใครจะสอนอย่างไรกับลมหายใจก็ได้ จะเอาคำบริกรรมไปวางไว้ก็ได้จะไม่เอาคำบริกรรมไปวางไว้ก็ได้พระพุทเจ้าไม่ได้กล่าวไว้ว่าว่าว่าายใครใครจะใช้การอยู่กับลมหายใจแบบการนับหายใจเข้านออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองหายใจเข้าหายใจออกนับสามแล้วแต่ก็ได้หมดขอให้เราอยู่กับลมหายใจของเราไว้ถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับลมหายใจของเราได้ นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราหยุดการปรุงแต่งเยอะมากเราหยุดการปรุงแต่งไปเยอะมากเลยของชีวิตถ้าตราบใดที่เรายังอยู่กับลมหายใจตราบนั้นจิตของเราไม่ไปไหนเวลาจิตไม่ไปไหนมันไม่เกิดการบีบคั้นปรุงแต่งใดๆไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดนี่เป็นเบื้องต้นที่จะได้ขึ้นทันทีเลยพระนั้นการหยุดอารมณ์ก็ดีการแก้ายอารมณ์ก็ดี อืการรักษาสภาพจิตข้อดีหรือการให้อยู่ดำรงอยู่กับความสหบก็ดีการฝึกจิตให้มีประสบการณ์หรือความรู้ในการที่อยู่กับอารมณ์อันเดียวก็ดีทั้งหมดทั้งที่เหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยเมื่อเราอยู่กับลมหายใจทุกวิธีแต่พระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนจริงๆท่านเรียกว่าอาณาปานสตินี่ท่านใช้หลักการอยู่กับลมหายใจแบบสิบกประการสิบกอย่างเรียวกว่าสิบกขั้นแต่ละขั้นก็อยู่ไปเหอะ การที่เราไปนั่งนับลมหายใจก็ดีาการเราวิ่งตามลมหายใจก็ดีการที่เราไปทําอะไรกับลมหายใจก็ช่างหนึ่งแต่มันก็อาจจะไปอยู่ในข้อพื้นฐานหรืออาจจะไปอยู่ในข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าวางไว้อืมทําไปเยอะทําไปอยู่แบบนั้นเบื่อเหมือนกับคนเลี้ยงลูกฟุตบอลเอาฟุตบอลอยู่ที่เท้าฝึกเลี้ยงลูกฟุตบอลเพื่อให้ลูกฟุตบอลให้เท้ามีลูกฟุตบอลเป็นเครื่องอยู่ อ, อาจจะเอาเท้าซ้ายแปะไปยาวๆแล้วก็วิงว่งวิง่งวิ่งเท้าขวาไปแปะ หรือเอาเท้าท้ า, ายแปลท่านแปลท่านมั่งแปลยาวมั่งวิ่งตามมั่งไม่วิ่งตามมั่งเตะมันกระเด้งกลับมามั่งอะไรก็ว่างส่งไปไอ้คนโน้นส่งไปส่งมาแต่ให้ลูกฟุตบอลนี่กับเท้าอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆหอเรื่อยเขาก็จะเป็นนักฟุตบอลใช่ไหม <S <S 2> <S 2> เขาก็จะเป็นนักฟุตบอลในทางก่เหมือนกันเลยพรา ะ, so <ra> ะเจ้าก็ประสงค์อย่างนั้นแหละให้เราอยู่กับลมหายใจไว้ทํำาายังไงก็ได้อ่า อพยายามอเดี๋ยวนี้ก็กําลังฮิตกันมาใหม่อีกแล้วลมหายใจต้านโรคเพราะน่ากากแพงไงเจียวมันขาดตลาดเลยใช้ลมหายใจต้านโรคลมหายใจต้านโรคทําไงอ่ะนะทาไงพระพุทธเจ้าฉลาดมากนะทําไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่า ทีคังว่าอัตตสั่นโตทีคังอัตตะามีติประชานาติรัทีครังว่าปัสตะสั่นโตทีคังว่าปัตตะามีติปชานาติทำไมพระเจ้าถึงบอกงั้นทำไมเพพระเจ้าถึงบอกว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวทำไมพระเจ้าให้เริ่มต้นอย่างนี้ฮะเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าสอนตั้งแเริ่มต้นเลยนั่งคูบาลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพานะหน้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า เมื่อลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวสังเกตไหมว่ามันคืออะไรเออคานี้จะตอบได้เนี่ยฮะนี่ต้องแจ ก, กอย่เนี้ยนี่ก็ต้องแจกะไรจริงๆนะเออ โอ้แย่วะต้องแจกสองเส้นใล้ไปฝากลูกฝากหลานเป็นผลงานของแม่ของอาหม่าเออเหรอเออผิดอีกแล้ว <c oughs> ตั้งแต่บอกว่านั่งคู่บาลังตั้งกายไงยตรงดำรงสติอยู่เฉพานะหน้า มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวมันไม่ใช่อะไรอื่นมันคือความรู้สึกตัวแพร่ๆอา้าวก็่าวมาถึงนั่งเวลาเราบอกนั่งคู่บาลังการที่เราจัดกระบวนท่านั่งของเราเราเกิดอะไร เกิดความรู้สึกตัวตั้งกายให้ตรงเกิดความรู้สึกอะไรดัมรงสติอยู่เฉพาะหนะ้าดึงจิตกลับมามารู้สึกการนั่งและจะรู้สึกที่ใบหน้ามันคืออะไรเมื่อหายใจออกก็รู้มีสติหายใจออกแต่ก่อนไม่รู้ละ่ะกินกาแฟก็หายใจคิดหวยก็หายใจ <c oughs> เลือกรอตเตอรี่ตีฝันก็หายใจ นินทาเขาก็หายใจนะใช่ไหมนะหายใจหมดแต่ตอนนี้พระเจ้าว่าโซสตัวว่าสติสตัวว่าปสัสสีมีสติหายใจออกมีสติหายใจหยุดทุกอย่างมารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกหยุดทุกอย่างมารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้ามันก็คืออะไรรู้สึกตัวหลังจากนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวอ้าวใครก็ตาม ณนะขณะนี้ที่มาทําความรู้สึกกับลมหายใจหายใจยาวทําลมให้ยาวแล้วก็รู้สึกกับลมยาวทั้งยาวนั้นะ่ะตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจพอลมหายใจเริ่มเคลื่อนปั๊บรู้สึกมันรู้สึกอะไรมันคือความรู้สึกตัวแท้ๆเลยเ อ, อสังเกตไหมใครที่ไม่ ถ้ามันมัวมันทำความทำลมหายใจยาวแล้วมันรู้สึกกับลมหายใจแบบยาวๆนะสนใจ ม, นมันนั่งคิดถึงเรื่องอื่นนั่งคิดถึงซีดีเพลงนั่งคิดถึงหนงังนั่งคิดถึงละครมันทำได้ไหมทำไมได้เพราะเมื่อใดที่เขามารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกยาวๆเขาก็จะเกิดความรู้สึกตัวอยู่ในนั้นด้วยหความรู้สึกตัวที่แท้ก็คือความรู้ที่อยู่กับกายความรู้ที่อยู่กับ รูปกับนามสี่อันคือกายเวทนาจิตและธรรมที่เกียงลวงอะความรู้ที่อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมใส่ยอย่างนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวแล้วพระเจ้าสอนอะไรก่อนกายก่อนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ลมหายใจดูที่อันแรกเมื่อเราหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวมันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือความรู้สึกตัวแท้ๆนั่นแหละความรู้สึกตัวที่มันเนินไปสูงสุดที่ความตั้งมัน่นและความอะไรปล่อยวางความรู้สึกตัวที่ถึงที่สุดนั้นมันจะเกิดความตั้งมั่นและการ ปล่อยวาเพราะพอมันตั้งมั่นมันก็จะเห็นเห็นตามความเป็นจริงว่าสภาพทั้งหลายมีแค่การเกิดและการดับไม่มีสาระอยู่ในสภาวะใดๆเลยมันก็เกิดการปล่อยวาง hmm. และนี่ที่พูดเนี่ยยังในอยู่ในหัวข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่นะเพื่อยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการภาวนาเรื่องการภาวนาเลยนะเนี่ยพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นผู้ที่อัศ จ, จรรย์จริงๆยอดมนุษย์จนโลกประกาศเข้ามายอมรับพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลสาคัญของโลกด้วยการยกวันวิสาขาบูชาขึ้นมาการที่เขาประกาศว่าพระเจ้าเป็นบุคคลสาคัญของโลกนั่นหมายความว่าอะไรใครก็ได้ไม่จําเป็นที่ในทะเบียนบ้านจะต้องเป็นพุทธศาสนาอีกแล้ว เพราะพุทธศาสตร์เป็นผลงานของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของพระเจ้าองค์ใดเข้าใจไหมมันเหมือนที่ไอรูเตอร์เบรแบงค์มันค้นพบการจำกันติดตาเสร็จแล้วเราไปเรียนรู้มาเรามาใช้ได้ไหมได้แม่เราไม่ใช่รูเตอร์เบอร์แบงค์ไม่ใช่ลูกหลานที่มีดิจิทัลสิทธิ์เรามาใช้ได้เพราะเป็นอะไรเป็นผลงานของมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องราวเหล่านี้นํามาเปิดสอน จนโอ้มันเรื่องราวที่เป็นผลงานของมนุษย์นั้นมนุษยชาติสามารถใช้ได้นั้นเราจงเห็นข่าวต่างๆตนนัวนี้หลายประเทศที่กำลังมุ่งในเรื่องของการที่จะทำการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้มีการยอมรับอะไรกยกใครอีกการยกลงปุ่มันันนี่หมายความว่างไงรู้ไหมคนอื่นๆนั้นก็มีผลงานทางวิชาการ ใช่ไหมมีความโดดเด่นในเรื่องของทางวิชาการเก่งในเรื่องของงานวิจัยเก่งในเรื่องของงานอยู่เยอะแยะหมดแต่พระเจ้าไอ้พระหลวงปู่มั่นมีอะไรไม่มีหลวงปู่มั่นไม่มีผลงานทางวิชาการใดๆเลยวันๆท่านเอาแต่ทำอะไรเดินทุดงแบกกรดอยู่ในป่ารองเท้าก็คู่เดียวเหี้ยนเหี้ยนแล้วก็นั่งสมาธินั่งละทาอยู่เนีาย ไม่มีผลงานทางวิชาการอื่นแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นบุคคลสำคัญของโลกนั่นหมายความว่าโลกยอมรับวิชาอีกวิชาหนึ่งของพุทธศาสนาคือจิตตภาวนาจิตตภาวนาจึงเป็นวิทยาศาสตร์ทันทีเหมือนกับอนาปานนสติที่พระพุทธเจ้าสอนที่ประเด็นพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายนมาใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันก็อยู่ในหลักของจิตตภาวนา เพรการปฏิบัติฝึกฝนจิตจึงเป็นเรื่องราวที่โลกทุกยุคทุกสมัยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปอยู่ในกีออ่จีก็ช่างมันเถอะอันนี้ไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนอย่างอื่นเปลี่ยนไปเหอะแต่อันนี้มันไม่เปลี่ยนไม่มีใครสามารถเปลี่ยนเขาจึงเรียกว่าอริยสัจ ความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เขาจึงเรียกอริยสัจเข้าใจไหมเออเป็นความจริงสูงสุดเป็นความจริงที่ประเสริฐเป็นความจริงที่ไม่ใครใไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงได้เขาจึงเรียกว่าอริยสัจไม่มีเทคโนโ ล, โลยีอันใดมาแข่งขันได้ว่าอันนี้มันโอ้โหมันน่ะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีมากๆ ก, กับการที่ได้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาภายใต้การกล่าวคำว่าพุทธังธระนังกชามิธํามังสระนังกชามิสังฆังสระังกชามินั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่มันมีใจเป็นอย่างนั้นด้วยนะก็แน่นอนหละบางคนมันมีที่มา บางคนก็เจ็บป่วยไม่สบายไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็เลยมาบางคนทําการค้าขาดทุนไม่รู้จะทํายังไงแล้วบูชาแม้กระทั่งจิ้งจกข้างคกกบมันก็ยังไม่คืนมันก็เลยมา <c oughs> บางคนก็มันมากันหลายเหตุหลายทางหลายทิศหลายที่นะแต่ในที่สุดบางคนมันก็เออชีวิตมันก็พากันมาถึงที่สุดแล้ว คือครอบครัวก็โอเคแล้วลูกเต้าก็โอเคแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลปล่อยเขาไปหมดแล้วตัวเองก็ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรแล้วทีเนี้ยมาหาสวัสดิการให้ยามชราบางคนวันอาทิตย์นี่อยู่บ้านก็มีแต่ทะเลาะกันเวันนั้นชาวริมมาอาการทําดีกว่าเบื่อหลายเหตุหลายสถานหลายเหตุหลายหลายหลายหลายสาเหตุ ที่มารวมกันจะมาด้วยวิธีอะไรก็ช่างแต่เมื่อมาอยู่ในเงื่อมของของคำว่าพระาศาสดาในเงืมอของคำว่าพระพุทธเจ้ามันเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าท่านไม่ได้มีอคาาติไม่ได้เลือกว่าคนนี้รวยนะคนนี้ อายุมากคนนี้หล่อคนนี้สวยคนนี้เตี้ยคนนี้สูงคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้มีหนี้คนนี้ปลอดหนี้อะไรเงี้ยคนนี้ลูกหนี้คนนี้เจ้านี่ไม่มีเลือกเลยเราจะมาจากเหตุใดก็ตามเมื่อมารวมตรงนี้เพียงแค่เรามีความใจศรัทธาต่อพระองค์พระองค์จะสัมผัสกับเราและเราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อย่าง อย่างเสมอภาคกับผู้นั้นไม่มีอะไรเป็นเขตไม่มีอะไรเป็นเครื่องกางกันตรงนี้ได้ดงนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องต้องภูมิใจกับการที่เราได้มีโอกาสนับถือพระพุทธศาสนาอืมี่เขาตั้งไว้เคาะกึ่งเคาะอย่างนี้หมายความว่าหมดพูดแล้วภาเชาจริงจริงตั้งใจจะไป ร, รูไปความเรื่องหลวงปูอ่อรามมั่อ็เลยยาวมาหน่อย ทีนี้เราพอเทาเข้าสู่การปฏิบัติกันพักเชานะ้านั้นให้สิบนาทีไปทำธุระพัก